ใครที่เจริญจิตตานุปัสสนาเนี่ยนะกิตตานุปัสสนามีอะไรบ้างเดี๋ยวนะเขามีจิตอยู่สิบหกสิบหกกลุ่มนะหนึ่งจิตมีราคะกับปราศจากราคะสองจิตมีโทสะกับปราศจากโทสะสามจิตมีโมหะกับปราศจากโมหะจิตหดหูถีนะมิทะเนี่ยนะหดหูกับฟุง้งซ่านหดหูฟุง้งซ่าน สัอุตระอนุตระมีจิตอื่นยิ่งกว่ากับไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าเห็นะจิตเป็นมหคตะคือเป็นฌานกับไม่เป็นฌานนะจิตเป็นสมาธิกับไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นกับจิตไม่หลุดพ้นเห็นะก็มีอยู่หกแปดคู่แปดคู่ก็มีสิบหกข้อ นี้ก็มาไล่ดูว่าผู้ที่เจริญจิตตานุปัสสนาเนี่ยนะเมื่อมีสีเป็นอารมณ์ปับ๊บเนี่ยเจริญยังไงถ้าสีหน้าปราถนาก็มีราคะชาวนะนั้นมีราคะจิตที่เหลือปราศจากราคะนะดูที่อารมณ์แล้วอ่านจากอารมณ์นี้อ่านได้เลยถ้าสีนั้นเป็นอิทธารมชาวนะมีราคะแต่จิตที่เหลือปราศจากราคะถ้าจิตเป็นอนิถารม ชาวนะเป็นโทสะจิตที่เหลือปราศจากโทสะหรือถ้าจิตทั้งอิทธารมณิธนนารมจิตมีโมหะหมดเลยไะไม่มีฉลาดสกักการจิตที่เหลือปราศจากโมหะดูไปดูมาก็เออตนก็ดีนะดูไปดูมาชักง่วงลงง่วงลงดูกระดาษนี่ใครไม่ง่วงมากหรอกือบางคนนี่รีลงรีลงเพราะอาหารมันกําลังย่อยเลือดไม่ค่อยเลี้ยงสมองว่างั้นมันเลี้ยงกระเพาะ ก็อันนี้แหละถีนะใช่ไหมที่ไปคินมาไม่รู้ท่านพูดอะไรก็ไม่รู้ฟุ้งฟ้านเลยอุทาจักกำเริบต่ออีกนนะง่วงด้วยฟุ้งด้วยไปกันยาเลย น, นะทีนี้จิตบางอย่างก็เช่นจิตพวกนี้เป็นกา ม, มาวาจรชื่อว่าสอตุตระเพราะยังมีรูปาวาจรอรูปาวาจรดีกว่านี้จิตพวกนี้ไม่เป็นมหคตัตไม่เป็นชานอะไรแล้วก็จิตเหล่านี้ไม่มีสมาธิ เนี่ยนะเป็นแต่เฉพาะแค่คณิกะสมาธิเพราะพวกชาวนะในปัญจทวารไม่เป็นอุปจารสมาธิอะไรเนี่ยนะแล้วจิตพวกนี้ถ้าเป็นกุศลก็วิมุติถ้าเป็นกุศลแบบก็หลุดพ้นจากกิเลสหน่อยเดียวถ้าเป็นอกุศลก็ไม่ได้หลุดพ้นอะไระนั้นแล้ววิมุติก็แบ่งเป็นตะทางข้าววิมุติกับวิขมพนาวิมุติเนี่ยนะก็มาไล่ดูใค่ควรว่าจากอารมณ์นะอา่อานจิตสิบหกได้เลย ดูอารมณ์ปั๊บว่าอารมณ์ประเภทไหนแล้วก็ดูสภาพจิตได้เลยแล้วก็วิเคราะห์จิตถ้าอ่านจิตได้เวทนาก็ไม่ใช่สู้ยากนักเพราะอารมณ์นี่มันเป็นตัวบอกเวทนาอยู่แล้วใช่ไหมอารมณ์นี่เป็นตัวบอกเวทนาถ้าอิทธารมโดยมากสุขเวทนาถ้าอ น, นิถารมโดยมากบอกทุกขเวทนาทุกในไหนโดยมากเน้นที่ชาวนะกว่าทีนี้ชาวนะเนี่ยถ้าเป็นอารมณ์บาลกลางทั่วไปชาวนะก็เป็นกลางตรงนี้นะก็ต่อด้วย อุเบกขาทีนี้สุขแบบไหนสุขแบบคนเรียนธรรมะหรือไม่เรียนธรรมะสุขแบบมีกิเลสหรือสุขแบบไม่มีกิเลสเรียกว่านิรามิตรกับมีอามิตรอุเบกขาก็แบ่งเป็นสองนิรามิตรมีามิตรกับไม่มีอามิตรทุกก็แบ่งเป็นสองนิรามิตกับมีอามิตกับไม่มีอามิตรทีนี้ถ้าดูเวทนาปั๊บอ่านจิตได้เลยว่าถ้ามีอามิตรมีราคาถ้าเป็นอิทารมนะถ้าปฏิฆาอานิทธารม มีอามิตรก็แสดงว่ามีโทสะทีนี้โทสะแบบไหนโทสะก็วิเคราะห์ไปตามนั้นได้เลยจากดูอารมณ์ปั๊บเจริญเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาได้เลยทีนี้ในกลุ่มไม่มีอามิตรเนี่ยนะมีอามิตรมีอามิตรเรียกว่านิวรณ์ไม่มีอามิตรเป็นโทตชงเนี่ยนะแล้วมละนิวรณ์มุ่งละโทชงเจริญก็วิเคราะห์ไปเหอะ มีเรื่องให้ทำเยอะแยะไปหมดเลยไม่จบง่ายๆหรอกฉะั้นคนที่เจริญจริงๆเนี่ยนะเวลารับอารมณ์หนึ่งอารมณ์เนี่ยนะถ้าจำหลักสูตรธรรมะได้แ ม, ม่นเนี่ยมีอะไรให้คิดมากเงียนะส่วนจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่สืบเนื่องกันไม่มีระหว่างขั้นใช่ไหมเป็นอนันตระปัจจัยจิตที่ไม่เป็นอนันตระปัจจัยมีดวงเดียวคือจุติจิตของพระอรหันต์จิตที่เหลือนี้ โอ้ม oh, ันเป็นสิ่งที arded, mm. y, ่ฆ่าไม่ตายจริงๆเลยจิตเนี่ยไฟนะนะภูเขาหินในนรกทับปั๊บตายปั๊บฟื้นเลยต่อมาได้เลยนะโอ้อมตะจริงๆเลยนะมันเหมือนเที่ยงอ่ะเอาดิเั้นพวกที่ระลึกชาติได้เป็นหลายโกรดกลับหลายชาติกลับเนี่ยก็โอ๊ยมันเหมือนมันอยู่อย่างนั้นเลยนะเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ต้องมีอะไรไปขัดไปขวางอะไรเลยนะเป็นไปสืบเนื่องอยู่อย่างนั้นเลยนะมันเหมือนอมตะจริงๆเลยนะ คือเขาบอกอา้าวกับจิตมันเกิดดับทุกขณะจิตไม่ใช่หรอบอกใช่โทสะมันเกิดดับทุกขณะจิตไหมแล้วทําไมเป็นทุกข์ล่ะมันเกิดดับแบบโทสะเนี่ยนะสมมติถ้าเรายกตัวอย่างว่าโทสะที่มันแค่โทสะที่คนโกรธทั้งหลายแหละเนี่ยนะมีผวังมาขั้นนะแต่และ ว, วิธีนี่มีผวังมาขั้นมีทวารมาขั้นมันยังทุกข์ขนาดนี้เลยทีนี้ขนาดว่ามีผวังขั้นมีอะไรขั้นเหมือนกับเสียใจตลอดเวลา เหมือนกับเสียใจตลอดเวลาท้นจิตที่เป็นไปในวัตฏะจึงเหมือนเที่ยงถ้าไม่พิจารณาโดยวัตถุไม่พิจารณาโดยอารมณ์ไม่รู้อนันตระปัจจัยไม่รู้ทวารไม่รู้วิถีไม่รู้ภูมิไม่รู้อะไรก็เหมือนกับว่าโอโ้โหเที่ยงยั่งยืนเพราะฉะนั้นพวกจิตพวกนามมาทําทั้งหลายเนี่ยจึงเป็นวัตถุแห่งอัตวาทุปาทรรมเป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาเป็นที่ตั้งแห่งสารพทิฐิเพราะจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ ละเอียดมางั้นเถอะมีเป็นธรรมชาติที่เป็นอารูปเที่ยวไปได้ไกลมันอยู่นี่คิดถึงเชียงใหม่ไม่ได้ยากเย็นอะไรนไม่ต้องซื้อตั๋วด้วยคิดไปได้เรื่อ ย, อยนะทีนี้ของมาอยากจะแนะนําว่าอย่าเพิ่งคิดเรื่องไม่เที่ยงเลยทําทความรู้จักว่าจิตอะไรเป็นจิตอะไรก่อนเนี่ยนะให้ดีด คือถ้าถ้าจะเจริญลักษณะจิตตานุปัสสนาเนี่ยนะมาแยกจิตว่าจิตอะไรเป็นจิตอะไรเมื่อมีอ น, นั้นเป็นอารมณ์แล้วมันมีจิตอะไรประกอบเนี่ยนะจนกว่าจะหายอะไรหายโง่ว่างั้นเถอะหายอวิชชานะแล้วจึงจะเลิกว่าเออจิตเนี่ยเชื่อแก่มากไม่ได้เลยคือยิ่งวิเคราะห์ไปในแง่ใดจิตมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วแกคิดมีสีขาวเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งไม่ใช่หรือ ถ้ามีสีเขียวเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งไม่ใช่หรือมีคนนั้นเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งไม่ใช่หรือแกรู้ทวารตาก็อย่างหนึ่งไม่ใช่หรือแกรู้ทวารหูก็อย่างหนึ่งไม่ใช่หรือมันก็เหมือนกับว่าเอามาแยกแยกแยกแยกแยกก็สับมันก็เห็นความไม่เที่ยงโดยธรรมชาติอยู่แล้วทีนี้มันไม่ใช่ว่าแค่ไปคิดว่าไม่เที่ยงแต่รู้ความเป็นไปของเขาคือเหมือนอย่างว่าไอคนนี้มันนั่งอยู่สองนาทีมันคิดตั้งสามสิบเรื่องเนี่ยนะเราจะบอกว่าเข้าจิตมั่นคงได้ยังไง คนฟุ้งฟานอยู่แล้วว่าอยู่พัคเดียวเขาคงหัวเราะเดี๋ยวเขาก็ร้องไห้ร เ, เขาขราจะว่าเขาปกติได้ยังไงจิตก็เหมือนกันถ้าวิเคราะห์แยกแยะให้ดีโดยทวารบ้างโดยอารมณ์บ้างโดยวัตถุบ้างโดยสหาชาติธรรมบ้างเมื่อวิเคราะห์ไปมากๆเนี่ยนะก็บอกโหนี่เราเนี่ยไม่น่าไม่น่าเชื่อจิตเลยว่าแก่นี่เป็นธรรมชาติที่มั่นคงมันใครบอกเอาใจรับประกันนเอาใจรับรองไม่ครบไม่ได้ข้าพเจ้าขอรับรองด้วยใจเนี่ยแหละบอกไม่ต้องเชื่อเลยไม่ต้องเลย <c ười> กะคิดถึงทุกลมหายใจเข้าออกก็ไม่ต้องเชื่อนะมันเกินไปธรรมชาติของจิตนี่มันไม่รู้มันคิดอะไรนักก็ไม่รู้จิตเนี่ยนะจิตตานุปัสนาเนี่ยแค่ทำตีรณนปริญญาเอ่ยยาตะปริญญาพอแล้วนะตีระาปริญญาไม่ได้ยากอะไรเลยสำหรับจิตนะมันกําหนดโดยวัตถุโดยอารมณ์โดยทวานบ่อยๆนะตีระาปริญญาไม่ใช่เป็นของยากอะไร เพราะธรรมชาติของเขามันเป็นของเล็กน้อยอยู่แล้วธรรมชาติของเขามันเป็นของเล็กน้อยจริงๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องไปบอกแก่นี่เป็นของน้อยเป็นของนิดหน่อยก็แทบไม่มีความจําเป็นอะไรเลยนะก็เหมือนกับว่าเอาเกลือเม็ดเกลือมาชิมอะนะบอกเออนี่ก็เค็มเม็ดนั้ น, นก็เค็มเม็ดนี้ก็เค็มถ้าแยกเม็ดเกลือได้แล้วก็ไอ้ความเค็มไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็นอะไรจิตก็เหมือนกันถ้าแยกทวารแยกวัตถุแยกอารมณ์เนี่ยนะ แยกบ่อยๆแยกทวารวัตถุอารมณ์แยกกุศลอกุศลแยกไปแยกมาจะรู้ว่าโอ้นี่เราเล่นเล่นกับมายาเลยหรือเนี่ยเพราะจิตนี้พระองค์กรัสว่าเหมือนมายากลเนี่ยนะมายานี่แปลว่าเงาหรือแปลว่าหลอกลวงเนี่ยนะสมเหมือนจริงอ่ะนะกลก็คือกลลวงอนะ่ะมายากลเหมือนของที่หลอกของที่ลวงมากๆนะมันก็หลอกมันก็ลวงจริงๆได้ความคิดเนี่ยนะเพราะเราเชื่อพยาจิตตราตัวนี้แหละว่าตามันยังเจริญขนาดนี้ โลกอันอะไรเนี่ยพากระเสือกกระสนไปดูนะจิตจะพาไปไกลถึงไหนกันดวันนี้ที <c> ่ <oughs> พระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นเป็นอากาของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นแลที่สู่ทั้งหลายวิญญาณคือจิตเหล่านี้เนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณนีดใกล้ไกเธอเพิ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงวันนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราอริยาสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจิตเบื่อวิญญาณเนี่ยนะอันนี้ควรเชื่อไว้คําสอนที่สอนอันนี้เชื่อแต่จิตของเราคิดไม่ต้องไปเชื่อมันหรอก เพราะอีก พ, พ insight, ักหนึ่งมันบอกโอ้ดีใจมากโอ้ดีไปไปไปอีกพักบอกไม่ไปแล้วนะนะเพราะว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้แลนะเพราะฉะนั้นขนาดพระพุทธเจ้าสังขารธรรมเยี่ยมขนาดนั้นยังไม่เที่ยงถ้าอ่านดีๆนะท่านจะบอกว่าสังขารทั้งหลายว่างเปล่าหนาะว่างจากความเที่ยงอย่างแท้จริง แต่ปุถุชนทั้งหลายสำคัญหมายเหมือนกับว่ายั่งยืนเหลือเกินมันยิ่งความคิดของเราเนะ่ผู้การมานี้คิดกี่เรื่องแล้วแปลว่าเชื่อความคิดไปก็ได้เท่าไหร่พาไปเรื่อยนะแต่ว่าเออไปอินเดีย น, นี่เรื่องจริงอน่ะเนีเดี๋ยวพาไปเรื่อยนะ่ะไม่ได้เพราะมันเสียงเงินจริงๆนั่นี่ แล้วจิตมันก็สืบเนื่องลักษณะเนี่ยนะมันอาศัยวัตถุทวารวิญญาณอารมณ์มันก็เป็นไปอย่างนี้ถ้าหมั่นสายใจบ่อยๆก็จะเห็นความเป็นตายอย่างสืบเนื่องของจิตเนียเหมือนไม่มันมันเป็นอนันตระปัจจัยเสมือนมันไม่ขาดเหมือนเม็ดน้ําที่มันไหลไปเนี่ยนะน้ําที่ไหลไปเนี่ยถามว่ามันเม็ดเดียวกันหมดไหมถ้ามันเม็ดเดียวกันมันจะไม่มีอะไรกรีดมันเข้าถ้ามันแท่งทึบจริงๆนะแต่มันก็เป็นหยาดน้ําเล็กๆใช่ไหม ไฟอยๆเนี่ยที่สำคังกานเชื่อมกันเป็นแต่อย่างต่อเนื่องเป็นโมเลกุลเล็กๆนั่นเอง